ไม่เหมือนคารงหัดเขาอะเราเป็นนักบวชถ้าไม่ขยันฝึกเพียรฝึกผลอารมทนเนี่ยไม่ทราบว่าจะทำอะไรอะนกักบวชเขามาเสียเปล่าสิไม่ได้ไประโยชน์อะไร เรามาบวชนี่เราเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ตนนะก่อนอื่นกังหมดประโยชน์ผื่นเอาไว้ที่หลังเมื่อตนมั่นคงดีมันก็สามารถทำประโยชน์ผู้อื่นได้ถ้าฝึกผนตนให้มั่นคงไม่ได้ แล้วก็ผลผู้อื่นไม่ได้กระเทวเป็นคนเสียเปล่าเกิดมาเปล่าจากประโยชน์โยไปนานปีนานเดือนไปร่างกายกาสส็สุดโทมไปสุดโทมไปอืม ไม่นควรจะประมาทมันจะแต่งตัวสวยงามเท่าไหรก็ตามประดับด้วยทองเหลืองทั่วตัวก็ตามในร่างกายในีมันก็ไม่หนุ่มไม่สาวคืนหลังไปได้ นีแต่สมรู้ชดชมไปเรื่อยๆดังนั้นจึงไม่ควรประมาทควรทำชีวิตให้เป็นแก่นสานถึงของไว่เที่ยงก็จริงร่างกายอันนี้นะ แต่มันก็พอทำประโยชน์ได้พอช่วยตัวเองให้พ้นจากทุกข์ไปได้เมื่อขอมอ่าร่างกายอันนี้มันก็เป็นเรือนร่างเทีาศัยของดวงจิต ตัวสำคัญแท้คือตัวจิตแต่ว่าจิตนี้ถ้าไม่ได้อาศัยร่างกายอันนี้ก็ทำประโยชน์อะไรก็ไม่ได้เพราะดวงจิตนี้มันเม่มีรูปร่างอะไร มันไมีแต่ธรรมชาติรู้เฉยๆรู้อันนี้แหละมันเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะความรู้นี่แหละให้ฟักันสอนในฐานดูให้ดี ถ้าไม่มีความรู้ในนะร่างกายเนี่ยมันก็ไม่มีความหมายอะไรเลยเหมือนท่อนไม้ท่อนกล้วยที่เขาตัดแล้วทิ้งไว้บนดินมันก็ไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดทุกขเวทนาอะไรเลย มันก็มีแต่จะเน่าเปื่อยผุพังไปเท่านั้นเองแต่ว่าจิตตรงนี้นะมันมองไม่เห็นตัวมันมันจึงยากที่บุคคลจะพึกตนให้หลุดพ้นไปจาก วตาตาสงสารนี่ได้เนื่องจากว่ามันไม่มีรูปร่างอะไรมีแต่ธรรมชาติรู้อย่างเดียวจะรู้อันนี้ก็ไม่ไม่เป็นสองเป็นสามเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นจึงว่า มันยากที่จะจับจิตตรงนี้ได้เพราะมันเป็นหนึ่งเท่านั้นไม่มีสองที่จับได้ก็เพราะการเพ่งการทำความเพียรเพ่งพินิษ เพ่งอยู่ในความรู้อันนั้นไอ้ความเพ่งเนี่ยมันมีอำนาจการปล่อยจิตให้เลื่อนลอยอยู่เฉยๆไม่เพ่งไม่มีอำนาจเลยอ่อนแอเพื่อนทุกคนให้เข้าใจ คำว่าชานางแปลว่าความเพ่งแปลเป็นภาษาไทยเราเรียกว่าเพ่งอัอนเป็นภาษาบาลีทเนวะฌานเข้ามาเข้าฌานเข้าฌานก็คือเพ่งจิตนี่เข้าไปดูลำดับแต่ผูใ้ใดอดทนไม่ไหว น้อยก็จิตถอนออกมาความเพ่งไม่มีกำลังมันก็ถอนออกมามันถอนออกมาแล้วมันก็มาคิดมาปรุงแต่งเรื่องอะไรเท่าไรต่อไว้อีก แต่ถ้าหากว่าผู้ที่เพ่งจิตนี้จนทำนิชำนานเพ่งให้หยุดคิดมันก็หยุดคิดไปเลยไม่คิดต่ อ, อเพ่งอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าเพ่งคิดเพ่งเช่นอย่างว่า เ, เรื่องนี้มันอะไรน่อย่างงี้นะ เมื่อเพ่งจิตอยู่แล้วก็ดำลิกเรื่องนี้มันความจริงเป็นไงโนาะอันนี้ถ้าหากว่าจิตมันแน่วแน่จริงๆพอเราเพ่งแล้ววิตกอย่างนี้ไอ้เรื่องนั้นมันก็โผล่ออกมาให้รู้แล้วอ๋อเรื่องนี้ความจริงมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้น อันนี้ความจริงหมายความว่าเรารู้ความจริงไม่ใช่รู้ปลอมรู้ด้วยการเพ่งด้วยปัญญาเรียกว่ารู้ความจริงของสิ่งนั้นๆในไอความเพ่งมันมีสองอย่างให้เข้าใจ ไปไปสนใจในการเพ่งจิตจะไม่มีกำลังเลยจิตจะอ่อนแอมีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งออกมาก็อ่อนพับไปเลยอพอโกรธก็โกรธพอเสียใจก็เสียใจพอเศร้าโศกก็เศร้าโศกไป อดทนทนไม่ได้เดี๋ยวก็วิตกวิจารณ์คนนั้นว่าเราคนนี้ดำใม้เราเสียใจคนนั้นคนนั้นทำให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วก็วิตกไปทั่วเลยวันนี้นะ พอวิตกไปมากๆเขาก็ไปต่อว่าผู้นั่นนะว่เนี่อดไม่ไหวเมืเ่อในการที่จิตไม่มีอำนาจนี่นะจิตอ่อนแอเนี่ ย, นะยมันย่อมสู่อำนาจกิเลสไม่ได้ทำให้ กิเลสมันได้ใจมันคึกขนองมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นทุกคนจงสร้างจิตตัวเองให้มีอำนาจในการเพ่งนี่มันเป็นทุกข์เหมือนกันแหละเพ่งรู้อย่างเดียวอยู่ภายในนี่มันเป็นทุกข์เพราะอะไร เพราะกิเลสมันมาสกัดกันไม่ให้เพ่งเพราะการเพ่งชนีมันเป็นตะปาท ร, ร ม, มันเป็นทำเครื่องแผดเผากิเลสกิเลสถูกมันถูกเพ่งเลยร้ก็เล่าร้อนมันยังเอาไปไปใกล้ๆคนเนี่ย เปลวไฟมันพุ่งก็ไปหามันร้อนมันก็ดิ้นอ่มันเป็นอย่างนั้นแหะมันนี้ก็นกันนะกิเลสภายใจิตแสงคนเรานี่ถ้าหากว่าเราไปเพ่งมันนะมันก็ยุ่มันก็นอนเนื่องอยู่ในจิตใจนั่นแหละเมื่อนกับมันมีกิเลสนี่นะอ่ามันเป็นอย่างนั้นเดืองมันนะบางคนก็อาจจะเข้าใจผิดแล้วว่าโอ จิเลสเราไม่มีอะไรแล้วแต่ก็นิ่งนอนใจไม่นั่งเพ่งอย่างนั้นมันมันไม่ถูกมันผิดตอนที่คิดว่ากิเลสเรามันเบาไปแล้ว ยิงยดอกมันก็เบาอยู่เบาบางสิ่งมันอย่างแต่บางอย่างมันไม่เบาสิวะนี่มันยังอยู่ีิเลสส่วนกลางมันก็พอมองเห็นได้ีิเลสส่วนละเอียดนี่นะมองไม่ค่อยเห็นนะอันนไอ้พากันสังเกต ด, ดูแต่เราเพ่ง จิตนี่เข้าไปจนสติมันแก่กล้าจนมันเกิดฌานคือเพ่งเข้าไปแล้วมันก็นานเข้ามันก็สว่างขึ้นมาอย่างนี้นะท่านเรียกว่าฌานนะคือความเพ่งเพ่งเนี่ยมันถ้าไมเกิดแสงสว่าง ถ้าไม่เพ่งแล้วหรือว่าเพ่งไม่เอาจริงอย่างนี้นะมันก็ทำให้กิเลสหลบลี้นะีหน้ามองไม่เห็นเรื่องของกิเลสเห็นเต่ความมัวหมองอยู่ในจิตใจเป็นอัน เหมือนอย่างเราเพ่งมองอะไรในเวลากลางคืนในห้องมืดๆอย่างนี้เพ่งอย่างไรมันก็ไม่เห็นเพราะมีความมืดกั้นไว้อยู่เป็นงั้นดังนั้นอย่าพากันนิ่งนอนใจเราไม่มีงานอะไร สำคัญนักบวชเนี่ยงานภาวนางานฝึกจิตนี่แหละเป็นงานสำคัญของนักบวชไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายถ้าผูใ้ใดบวชมาไม่ปรารถนาที่จะมาลากกิเลสตัณหาแล้ว มันก็นิ่งนอนใจแหอืมันก็อยู่สบายสบายเห็นว่ากิเลสไม่ลบกควนแล้วกะนึกว่าทนสบายแล้วอายุอย่างนั้นนะเมื่อถึงข่าวกิเลสมันลุกขึ้นเอาแล้วเล่าร้อนแล้ววันนี้นะอู่นไวแล้ว ตื่นตัวขึ้นมาเลยเอ๊ะเรานึกว่าเรากิเลสมันนี้มันดับไปแล้วนะพอทำไมมันะเกิดขึ้นมาอีกอยู่ อ, อย่างนี้อย่าไปอย่าไปไว้ใจกิเลสต้องทำความเพียรแผดเผามันเลื่อยไปอย่างนั้นะอืม พระพุทธเจ้าทรงตรัสไวยว่าไอความเพียร น, นี่เป็นเครื่องแผดเผากิเลสให้เรารอ้อนนั่นแหละถ้าไม่มีความเพียรหมายความว่าไงไม่มีความเพียรเนี่ยพอมันอยากนอน ก็ไปนอนซะอย่างนี้นะนั่งภาวนาอยู่นิดๆหน่อยๆนะพอปวดแค่งบวดขาอะไรนิดหนึ่งก็ไม่ไ ม, ไม่ทนลุกไปเสียอย่างนี้นะ ม, มีแต่คิดอยากจะนอนลูกเดียว การทำความเพียรนั้น น, นิดๆหน่อยๆ อ, อย่างนี้ไม่ไม่เป็นทางพ้นจากกิเลสได้ดังนั้นอย่าอย่าหวงเห็นร่างกายนี้ไว้เกินควรร่างกายนี้ ถึงห่วงแหนมันเท่าไรมันก็ไม่ฟังกระักระส่ายทุดโทมอยู่นั่นแหละถ้าหากว่าเราทำความเบียนเพ่งพินิษทํทำให้จิตมีกำลังเข้มแข็งขึ้นไปแล้วร่างกายนี่มันก็พอยมีกำลังเข้มแข็งขึ้นไปด้วยอย่างนี้นะ เพรปล่อยให้จิตนี่อ่อนแอลงไปเท่าไรกำลังกายนี่ก็อ่อนแอลงไปตามกันมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไอ้ความเท่าความแก่ชราพวกนี้มันก็เป็นความอ่อนแอของร่างกายเนี่ยเพราะว่าร่างกายชุดทรงไปแล้วมันก็มีตั้งแต่ อ่อนแอลงไ้หมดทุกส่วนของร่างกายดังนั้นต้องพยุงจิตให้เข้มแข็งไว้บางทีก็อาจจะเป็นยาอายุวัฒนะต่ออายุให้ยืนยาวนานไปได้ ในเมื่อเราทำาจิร้เข้มแข็งเข้าไปทำความปีติเอิบอิ่มใจในการที่เราได้มาบวชในพระพุทธศาสนาได้มารักษาศีลให้บริสุทธิ์ไม่ได้ทำบาปอะไรอันนี้มันก็เป็นธรรมปีติอันหนึ่งมืนึกถึงความบริสุทธิ์ของตัวเอง ตนเองไม่ได้ทำบาปทำกรรมนี่ก็ทำให้เกิดปิติปราโมทขึ้นมานี่ก็เป็นอายุวัฒนะขนาดหนึ่งทำให้ชีวิตสืบต่อไปได้ขนาดสำคัญแท่ก็คือการภาวนา ทำจิตให้สบายทำจิตให้ว่างจากอารมณ์ต่างๆไม่สร้างอารมณ์ขึ้นมาเผาตัวเองให้เดือดร้อนคนส่วนมากมากเกิบเป็นเช่นนั้นอยู่ดีๆเนี่ยผมไปนึกถึงเรื่องอันไม่ดีดนั่นแหละมานะเรื่องคนไม่ดี เรื่องคนนั้นไม่ดีอย่างนั้นคนนี้ไม่ดีอย่างนี้อืมมาวิถกวิจารณ์อยู่นั้นครั้นเมื่อมาถึงตัวเขาเห็ุโดยเข้าใจว่าเขาเบียดเบียนเราเขาข่มเหงเราแต่มาถึงเราเขาไปละเอาเราแล้วล ย, ยิ่งเดือดร้อนใหญ่อืม โมโหโทโซนี่ยก็จัดเต็มที่ตัวเองสร้างอิเล็กขึ้นมาเผาตัวเองแต่ความจริงเรื่องดีเรื่องชั่วทั้งหลายมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปแล้วเกิดขึ้นแต่เมื่อวานนี้มันก็ดับเมื่อวานนี้แล้ว แล้วยังไปฟื้นพูขึ้นมาวันนี้อีกอยู่แล้วของชั่วนะ่ะมันเป็นไม่ใช่ของเย็นนะ่ะเมื่อไปสร้างมันขึ้นมามันก็ร้อนมันก็เผาจิตใจให้เราร้อนมันเป็นอย่งนั้นอันต้องรู้สิพอจิตมันจะไปตกไปทางอารมณ์ร้อนอารมณ์ชั่วมันก็รู้ตัวทันทีเอ้ ย, เ, อยเรื่องนี้เป็นเรื่องชั่วเรื่อง มัวหมองเรื่องเลาร้อนอย่าไปสร้างมันขึ้นมา เ, ออเช่นนี้กระเตือนตนเข้าไปเมื่อเตือนตนไปอย่างนี้มันก็รู้สึกตัวแล้วมันเกิดขึ้นเวลาใดเตือนตนเวลานั้นไม่ส่งเสริมมัน อ, อ, อย่างนี้แล้วมันมันก็ กำเริบอย่างรุนแรงไม่ได้มันก็มีแต่อ่อนกำลังลงเจงงั้นอย่ า, ยาไปคิดว่าเราบวชมาแล้วเราจะทำอะไรตามใจตัวเองเมื่อเราทำอะไรคิดอะไรได้ยัอยากให้ผู้อื่นทำตามด้วย อยากให้พวกอื่นเห็นตามด้วยถ้าใครไม่เห็นตามไม่ทำตามไม่พอใจแล้วไอ้เช่นนี้ไม่ถูกตอ้องไม่ถูกต้องพระาศาสดาทรงให้ยึดเอาธรรมเป็นหลักอย่าไปยึดเอาบุคคลเป็นหลัก ออืเนี่ฮไอคนเนี่ยมันมีสารพัดมีทั้งดีมีทั้ทงชั่วเพราะนั้นเราจะไปยึดเอ า, าคนที่ดีทั้งหมดอะไม่ได้อืจะไปยึดเอ า, าคนที่ชั่วทั้งหมดก็มไม่ได้อีกเหมือนกันอนนอืพระศาส น, นานนทรงสอนให้ยึดเอาธรรมเป็นหลัก ธรรมะที่เป็นฝ่ายกุศลเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ใดทําให้ใจเยือกเย็นสบายนี่เรียกว่าธรรมที่เป็นฝ่ายกุศล น, น, น, น่รรนคนนะควรยึดควรถือไว้ในใจควรให้มีอยู่ในใจเพราะมันทาใจเย็นสบาย เอา้าวทำทั้งหลายไม่ควรถือมั่นพระศาสดาสอนแล้วไม่ใช่เหรออจริงอยู่ไม่ควรถือมั่นแหละแต่ทีแรกพระอง์สอนไม่ถือมั่นความชั่วก่อนไม่ถือมั่นทำที่เป็นอกุศลอืมให้ละทำที่เป็นอกุศลเสียงให้บําเพ็ญทำที่เป็นกุศลให้เกิดขึ้น ไม่ใช่ว่าปุบปั๊บกจะละไปเลยให้จิตว่างไปเลยไม่ได้จิตนี้ถ้าไม่มีกุศลเป็นเครื่องอยู่แล้วมันก็ว่าเว่ืมันว่าเว่แล้วไม่ไม่ไม อ, อิบอิ่มเบงงั้นดังนั้นเมื่อละอากุศลแล้ว ก็ต้องสร้างกุศลให้เกิดขึ้นมีในตนมันมันมันหากเป็นไปด้วยกันถ้าหา ก, กว่าละอกุศลเสียได้แล้วมาเพ่งจิตอันที่ไม่มีอกุศลบังเกิดขึ้นนั่นน่ะแล้วจิตที่ไม่มีอกุศลบังเกิดขึ้นแต่มัน เมื่อเราเพ่งเข้าไปมันก็สงบลงมันก็รวมลงก็เย็นอันนี้เรียกว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าจงละอกุศลเสียแล้วจงบำเพ็ญกุศลให้เกิดมีขึ้นอ่าไปได้ยินพระองค์หนึ่งไปสอนชาวบ้านไม่มีอะไรแล้วจงทำจิตให้ว่างอ่า เออทำจิตให้บ้างไม่มีอะไรอือยอวดดีวะถ้าหากว่ามีตจอุบายเท่านั้นหนึ่งคำสอนพระพุทธเจ้าทำไมจะไปถึงแปดหมื่นสี่พันวันพีสี่พันวันธรรมขันพระ อ, องค์แสดงไว้เพราะอะไร ถ้าไปบอกให้ว่าเอาชุงททำจิตให้ว่างอย่างเดียวเท่านั้นแล้วมันก็หลุดพ้นไปได้อย่างนี้โอ้คำสอนขององไม่หลายปานี้ฮะองก็เหนื่อยแ้วสอนคนนะองก็ไม่ไม่สอนมากมาแล้วถ้าเพียงแต่ว่าบอกว่าให้ทำจิตให้ว่างเท่านี้เราก็หลุดพ้นไปเลยนะอพระองค์ก็ไม่สอน มากมายแบบนั้นนะไอ้คิดดูอันนี้ก็เพราะเหตุว่าจิต ด, ดวงนี้นะมันวกแวกกิเลสมันปั่นอยู่เสมอ ดังนั้นพระองค์จึงทรงแสดงอุบายต่างๆนาน า, นาให้พุทธบริษัทจำอุบายที่พระองค์เจ้าแสดงนั้นแล้วไปสอนจิตตัวเองเข้าไปอีกทีหนึ่งอันที่คำสอนของพระองค์นั้นส่วนมากก็เป็นอุบายนั่นเองอุบายสอนจิตที่เอง ลองพิจนาดูให้ดีฉะนั้นอย่างทรงสั่งสอนให้นึกถึงความแก่ความเจ็บความตายความพัดพลากจากของรักของชอบใจหมดนี้นะว่าทุกคนหลีกไม่พ้นจงพิจนาบ่อย ถ้าพิจารณาไว้บ่อยเข้าเป็นวัคเกิดงานความรู้อั้นขึ้นมาแล้วมันก็จะไม่วันไหวนั่นเองถ้าไม่พิจารณาอย่างนี้ไปเอาให้ทําจิตให้ว่างๆอย่างเดียวโอ้โหมันไม่ได้ตรอกนายเอา เ, เวลาความตายมาถึงเข้าเอาเอะไรแบบนี้ไม่มีอุบายอะไสักหน่วยเดียวฮะนี่ จะมาเตือนจิตสอนจิตให้ก้าหาญให้เข้มแข็ง อ, อันวิปัสนาโมูนี่นะมันก็ระวนแต่อุบายทั้งนั้นเลยไม่ใช่อื่นไกลอะไร อ, ะอุบายสอนจิตนี่ก็พยายามหาอุบายอื่นหาอุบายคือ อื่นมาสอนตัวเองเขวายอุบายในมันถูกกับจริตตัวเองมันก็รวมลงได้มันก็ไม่ยึดไม่ถืออะไรมันมันก็ว่างลงไปในตัวลราแบอนี้นะมันเป็นอย่างนั้นันั้นจูๆ่ๆเราจะมาให้ทำใจให้ว่างอย่างเดียว มันว่างไม่ได้เพราะมันมียังเครื่องข้องอยู่พอว่าจะรวมจิตให้ว่างลงไปเอากิเลสมันก็มาดันผักดันไว้ให้รวมลงไม่ได้อืมจําเป็นต้องได้มาสอนจิตสะคอนเพราะจิตมันยึดถือเอาไว้กิเลสต่างๆอต้องใช้อุบายสอนจิตเองเข้าไป พอจิตนี่เห็นแจ้งตามอุบายนั่นแล้วมันก็มันก็จะเบื่อหน่ายความยึดถือเหล่านั้นอ<ม>เออไม่มีประโยชน์อะไรเนะการยึดถือนี่มีแต่ทุกมีแต่โทษไม่มีประโยชน์อะไรเลยอออืเมื่อพี่เห็นมันเห็นอย่างนี้แล้วมันก็วางอื มันก็คลายความยึดความถือออกไปงนี้นะนิพิทาเวลาคะวิมุตติวิสุทธิสันตินิพานทำเหล่านี้เนื่องถึงกันสนับสนุนซึ่งกันและกันเบื้องต้นก็ฝึกฝนจิตให้เกิดนิพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาก่อน เมื่อเบื่อหน่ายมากๆเข้าไปแล้วมันก็คลายความกำหนัดกินดีเอมันต่อเนื่องกันอย่างนี้ทําเหล่านี้มันต่างส น, สนับสนุนกันอย่างนี้เมื่อมันยังไม่เบื่อหน่ายมันจะไปคลายความยึดถือทําไมล่ะอั่นี้ดังนั้นต้องพิจาณาเพ่งจะได้เห็นเอาเพ่งร่างกายอย่างนี้ ก็ให้มันเห็นเป็นซากเป็นศพไม่ใช่ว่ามันเป็นของที่จะยั่งยืนอยู่ได้จิตวิญญาณออกจากร่างนี้แล้วไม่กี่ชั่วโมงก็ส่งติ่นเหม็นออกมาแล้วเฮ่ อ, อเพ่งดูสิอก็ะนะอะนะอมันมันเป็นเช่นนี้นะ คิดจึงได้เกิดนิพพทาคมเบอร์ไหนเมื่อมันรู้อย่างนี้มันเห็นอย่างนี้ถ้าไม่ทำในใจอย่างนี้เลยปล่อยเลยําเลยไอ้ร่างกายนี่กับเลี้ยงมันบ่มลุงมันอยู่เนี้ยให้มันมีกำลังวางชาอยู่แล้วไม่มีอุบายทำความเพียนเพ่ง ให้เห็นตามเป็นจริงอย่างว่ามาแล้วนั้นมันก็ไม่เบื่อไม่น่ายเลยนี้ยิ่งเป็นหน้าปวดนี่ก็ยิ่งไม่ได้ทำนาค้าขายอะไรไม่ได้แบกหามไม่ได้หลังสู้ฝ้าหน้าสู้ดินอะไรเลยมันก็ยิ่งสบายเพื่อมันสบายด้วยความสุขชัวข่วคราวอย่างว่านี่ย เอาแล้วกิเลสมันก็เกิดแล้ววับนี้นะกิเลสมันก็เกิดขึ้นคึกขนองขึ้นมาเป็งั้นฉะนั้นเึงว่าน้อยคนที่จะเป็นนักบวชได้นี่แหละเหตุที่น้อยคนจะเป็นนักบวชได้ก็เพราะอย่างที่ว่า น, นี่แหละฮะบาบวชเข้ามาแล้วไม่ได้ทำงานอะไรก็สนุกเล่น อเอสนลกปล่อยใจให้เพลินให้เมาป้ายทั่วพิภพเลยอย่างเงี้การปล่อยใจไปเนี่ยบางทีมันก็ไปเจอเรื่องรักให้พอใจอืเข้ามาบางทีมันก็ไปเจอไอ้เรื่องชังเรื่องเกลียดเรื่องคนนั่นเคยเกลียดกันมาแต่ก่อนเคยเบียดเบียนกันมาแต่ก่อน ก็ยังเกิดโมโหโทโศขึ้นอย่างรุนแรงมานี่ยการปล่อยจิตให้เล่ร่อนหาอารมณ์ต่างๆมันก็เป็นเช่นนี้แหละแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้จิตใจก็สงบจากอากุศลไม่ได้เลยเพราะว่าตนไปสร้างมันขึ้นมาเยรื่อยดังนั้นทุกคนขอให้เข้าใจ คำสอนของพระพุทธเจ้านะสรุปแล้วจึงว่าสอนให้คนเกิดนิพิธาสอนให้ผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์นะั้นให้เกิดนิพพิธาความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายอันสิ่งที่มันทําให้เกิดความรักให้ต่างๆมันเนื่องจากว่ามันหลงสมมุติอจิตของคนเราเนะี่ย มองรูสวดทรงอะไรต่ออะไรเข้าไปแล้วนึกกระหยิบในใจโอ้ผู้นี้สวดทรงงามดีแท้ๆน่ารักน่าพอใจไม่สูงเกินไปแล้วก็ไม่ต่ำเคินไปพอดีพอดีอย่างนี้มองไปอีกแก้หนึ่งโอ้ คนตัวนี้ผิวพรรณผุดผ่องดีแท้ๆเป็นยองใหญ่น่ารักน่าใคร่จริงๆนี่แรียกว่ามันมองไปด้วยอํานาจของกิเลสมองคนอื่นด้วยอํานาจแห่งความรักด้วยอานาจแห่งความชังมันก็เป็นเช่นนั้นแล้วมันก็เดือดร้อนอะไรแบบนี้นะก็อยากได้ ถ้ามองด้วยธรรมะมองด้วยความจริงมันก็ไม่เปลี่ยนเช่นนั้ น, บนแบบ น, น, น, นี้นะต่รูปภัณฑ์สนฐานต่างๆแบนี้นะทันมองดูโดยทั่วไปแล้วมันก็ไม่ไม่แปลกอะไรอะรูปคนรูปสัตว์ต้นไม้ใบหญ้า มันก็เกิดขึ้นตามธรรมาชาติของมันคนบอกว่าโอ้ต้นไม้ตัวนี้งามดีอ่มันแตกกิ่งแตกก้นานออกไปเป็นพุ่มดีเหลือเกินนี่แหละที่จริงไอ้ต้นไม้เนีมันไม่ได้ว่าอะไรอ่ะมันไม่ได้ว่าอะไรมันเจริญไปตามธรรมาชาติของมันเฉยๆแต่คนเราไปเหมาออกว่ามันช่วยมันงาม อย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าจิตใจของคนไอ้คนมองต้นไม้กับคนมองคนมันต่างกันนะการมองต้นไม้มันก็ชั่วแว บ, บเดียวเท่านั้นเนะ่ะมันก็เล้วไปแล้แต่คนมองคนนี่สิมันไม่เลี้ยวง่านยน มองแล้วมองอีกืออยากอยากจะมองอยู่นั้นเนี่ยในที่สุดก็อยากจะลูกคำสมัมผัสเข้าไปนี่กิเลสอันนี้มันเป็นเช่นนั้นเนี่ยฉันจะมองจาตาเบาๆนี่ยังไม่จุใจใจได้เข้าใกล้เข้าไปได้ลูกคำสมัมผัสแล้วสุขใจมากดีใจหลาย ไอจิตใจคนเราเนี่ยมันพุ่งไปเช่นนั้นแท้ที่จริงรูปต่างต่างเหล่านั้นมันไม่ใช่มีอะไรเป็นแก่นเบญสารนะมันเกิดขึ้นด้วยบุญด้วยกรรมที่ทำมาในชาติก่อนบุญตกแต่งให้เท่า น, นั้นเองนะแล้วเมื่อเราต้องคำหนึ่งคืนหลังดูสิ อันบุญนั้นมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงนยมันก็ต้องตอบว่าไม่เที่ยงบาปก็ไม่เที่ยงเหมือนกันบุญก็ไม่เที่ยงเหมือนกั น, น, นเมื่อบุญก็ไม่เที่ยงแล้วบุญแต่งตกแต่งรูป ก, กายนี่ให้มาแล้วรูป ก, กายนี้มันจะเที่ยงมาจากไหนเหตุปัจจัยที่ตกแต่งให้มันเป็นรูปขึ้นมามันยังไม่เที่ยงอยู่แล้ว วันนี้รูปนั้นมันจะเที่ยงมาที่ไหนนี่เราพิจารโดยเหตุผลอันนี้นะโดยเหตุผลมันเป็นอย่างเนี้ยถ้าเมื่อปัญญามันสอดส่องมองเห็นตามเป็นจริงอย่างว่าแล้วมันก็คลายความพอใจความยิน ด, ดีในรูปนั้นลงได้อมันเพีย่งนั้น มันก็คลายลงได้เพราะว่ามันปรากฏชวดรงผิวพันอะไรชั่วขาวเท่านั้นเองลูกต่างๆเนียนไปนียนไปก็ซูบซีดไปก็ชุดทมไปเา็ไม่มีอะไรฮะนี่จะเป็นสิ่งที่น่าพิสมัยก็ลองสังเกตดูให้ดี นั่นแหละพระพุทธเจ้าทรงสอนภาษาวกทั้งหลายกระท o n สั่งสอนให้รู้เห็นตามเป็นจริงแล้วเกิดนิพิทาความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายความกำหนักระ น, น, นเพื่อเมื่อคลายความกำหนัจิตก็วิมุตถุดพ้นจากเรื่องเช่นนั้นนั่นแหละ หลุดพ้นไม่ถือมั่นด้วยอุปาทา น, ม น, น, นเมื่อหลุดพ้นแล้วก็ถึงซึ่งความบริสุทธิ์จิตใจนีนะ้มองดูตัวเองเวลาใดก็เห็นจิตนี้บริสุทธิ์จิตนี้ไม่หลงไหลกระปุเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสทั้งสารนา น, านนะั้นไม่หลงแล้วรู้จิตตัวเองอยู่อย่างนี้นะ จะได้อยไปมองอย่างอื่น้ตัวเองสอนตัวเองแล้วก็พยายามรู้ตัวเองอยู่ไปพร้อมกันไอ้เมื่อเราดําเนินมาอย่างนี้แล้วจิตใจมันยังหว่นไหวไปอยู่หรือหรือมันไม่หว่อนไหวก็ต้องติดตามผลของการปฏิบัติเรื่อยไ ป, เปอเั้น ดังนั้นทุกคนขอให้พิจารณาให้ดีเราเป็นนักบวชเราไม่ปฏิบัติอย่างนี้เราจะเอาเราจะมาปฏิบัติอะไรเราจะมาบวชเอาอะไรให้คิดดูให้ดีในวัดวาศาสนาไม่มีอะไรจะเอา ส, เสักหน่อยเดียวสักหน่อยเดียวพราะจริงเรามาอยู่ร่วมกันปฏิบัติเพื่อชำระ กิเลสจะให้เหือดแห้งไปจากจิตใจเท่านั้นแหละความหมายนะแต่ถ้าถ้าใครเกียจทานเบื่อหน่ายในการชำระกิเลสให้น้อยบาบางออกไปจากจิตใจของตัวเองแล้วก็อย่าอยู่อย่าอยู่ความอย่าอยู่เป็นทักบวชเสียไปเป็นกละเหัดเสีย ทรมาหาเรื่องชีบไปตามหมู่ตามเพื่อนไปอยากได้รูปเสียงอนไรก็ไปเสวงหาเอาตามชอบใจอันนั้นก็ไม่มีใครว่าอะไรนนถ้าเราจังเห็นทุกข์เห้นภัยในสงสารอยู่แล้ว อย่างนี้การบวชนี่ถ้าว่าเหมาะสมที่สุดเพราะว่าการเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารก็ต้องการจะแกพ้นนั่นแหละก็จึงได้เข้ามาบวชเข้ามาบวชแล้วเป็นผู้มักงน้อยสันโดษทานอาหารก็มือเดียวอยู่อย่างที่คนไม่มี ความหมายอะไรเลยเนี่ยทานอาหารกับมือเดียวพอประทังชีวิตยอยู่ได้ก็เอาแล้ว응แล้วก็เครื่องรุ่งเครื่องห่มก็พอแต่รุ่งห่มไปพอแต่บางอายไปเท่านั้นเองพอได้ป้องกันเหลือบยุงวุ่งลิ้น เพื่อป้องกันส่วนที่น่าละอายเท่านั้นไม่ได้นุ่งเพื่อความสวยงามห่มเพื่อความสวยงามอะไรอะไรไม่อะไรอ่ะดังนั้นการเป็นนักบวชนี่จึงว่าก็ศา ส, สดายังได้ทำเป็นตัวอย่างนุ่งห่มผ้าสีเดียวไม่ให้มีหลายสี อ, อันนี้ ดังนั้นถ้าผู้ดุ้งขาวห่วมขาวกนุ่งแต่ขาวห่วมขาวอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็แล้วไปเลยอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธเจ้าในนีน้ทุกคนต้องพึ่งตัวเองต้องทำที่พึ่งให้ตัวเองให้ได้ อย่าไปหวังพึ่งผู้อื่นเป็นอยู่ไม่ได้เลยไปคิดว่าโอ้เรานี่ไม่มีครูวาจารย์อยู่แนะนำั่งสอนอยู่บ่อยๆว่าเบใจใจไม่ตั้งมั่นอะไรทำนองนั้นไม่ควรคิดไปอย่างนั้นถึงแม้ว่าจะอยู่ใกล้พระพุทธเจ้านั่น ก็เมื่อตนไม่ปฏิบัติทำอุบายสอนใจตัวเองให้กิเลสมันระ ง, งับไปโดอยเบาบางไปมันก็เหมือนกับอยู่ห่างไกลพระพุทธเจ้านั่นแหละอย่าว่าจะอยู่ใกล้อุปัชฌาอาจารย์เลยถ้าอยู่ห่างไกลอุปัชฌาอาจารย์จต่จะทำความเพียร เท่งพินิจละกิเลสตัณหาเนี้ฮมันเบาบางไปเรื่อยๆไม่ให้มันมากขึ้นโดยลำดับอย่างนี้มันก็เหมือนได้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์นั่นเองขอให้เข้าใจเพราะฉะนั้นตอนนี้ไปก็นั่งสมาธิภาวนาสักพักหนึ่ง